มีอยู่ห้าข้อเรียงตามลำดับความเป็นอันตรายอันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตในโลกปัจจุบันได้ดังนี้ 1. โรคบาก ร, รมหมกมุ่นขนาดขาดความยับยั้งชั่งใจก่ออาชญากรรมทางเพศได้ 2. โรคอาฆาตข้างแขนจุกอกจนวูเ้เผลอก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญได้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 หรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดแล้วเครียดหรือไม่ขอให้ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูหนึ่งรู้สึกอึดอัดขณะกำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งเพิ่มแรงกดดันสองคิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกเหมือนยังคิดไม่เสร็จสาม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 ที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขณะเหลอกตัวกับทั้งกำหนดพิจารนาว่าริ้วรอยความเครียดที่แทรกตัวเข้ามาท่ามกลางความสบายใจนั้นมีความไม่เที่ยงเมื่อถูกรู้แล้วต้องคลายลงเป็นธรรมดาแต่คลายแล้วก็ควบคุมไม่หายไปตลอดการไม่ได้เพราะความเครียดไม่ใช่ตัวคุณและตัวคุณ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 ก็ช่วยให้ผลนจากความเครียดได้ง่ายแสนง่ายด้วย